สามานุปัสนาสติปัฏฐาน มักมักคือทางําเนินทางนำเนินทางปฏิบัติมักเป็นทางนำเนินเป็นทางปฏิบัติ ทำให้มากเจริญให้มากภาวิตาเบาลีตตา <c oughs> <c oughs> ทำจนเกิดทำจนเป็นทำจนมีทำจนเป็ น, น, น, เ, ปนเอามาปฏิบัติจนมีมาปฏิบัติจนเป็นเมื่อกี้ท่านพูดถึงมัคคือข้อปฏิบัติ สมาธิฐิสมาสังกะโปเป็นเรื่องของปัญญาสมาธิิเห็นชอบเห็นชอบก็ข้าหมวดลงไปที่อริยสัจสีนั่นแหละนั่นแหละคือเห็นชอบจิตเห็นชอบปัญญาอันเห็นชอบเห็นทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์ น, นิโรธ เห็นข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เห็นโรคเพื่อความดับทุกข์เห็นข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์มันก็เป็นเรื่องของปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบก็คือเห็นหลักในหลักอริยสัจสี่นั่นแหละเป็นการดรําเนินปัญญา ถ้ากษะปัญญาแล้วก็ไม่รู้ไม่เห็นมีปัญญานําหน้าสมาธิสัมมาสังกปรสัมมาสังกปะดําริเจ้าดําริคือนึกคือคิดคือตริในจิตอันนะันเมื่อคิดดัมริในการไม่เบียดเบียนดัมบีในการออกจากกามดําริในการไม่เบียดเบียนดําริในการไม่พยายาม น âm ปิในการไม่พยาบามคือความโกรธด âm ริในการออกจากกามน âm ริในการออกจากกามเรามาคิดดูสิเรื่องของกามถ้าเราไม่ดําปิออกจากกามเนี่ยการที่เราดําปิออกจากกามกลายเป็นเรื่องของปัญญาอ่า สัมมาสังกัปปะดําริเชา่าดําริแบบนี้เรียกว่าดําริเช่าดําริเพื่อเข้าหากรรมดําริเพื่อมีบา้านมีช่องมีเรือนมีครอบมีครวัวนคือดําริเข้าหากรรมดําริออกจกากกรรมก็คือหึงรุ่นไฟออกกรมราคะทั้งหลายทั้งปวง รวมไปถึงกามวัตถุ ก, กามทั้งหลายทั้งปวงดัมปีในการออกจากกามดัด้นดัมปในการไม่เบียดเบียนดัมปีในการไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนเพื่อมาที่สินะมันเป็นเรื่องของศินไม่เบียดเบียนดัมปีในความไม่พยาบาทไม่ปองร้าย ไม่ปองร้ายไม่คิดร้ายขึ้นนึกดีนึกออกจากกามไม่เบียดเบียนไม่พยาบาทตรงกันข้ามเลยแล้วก็นึนกเมตตานึกกรุณานึกมุติตานึกอุปกขาความนึกคิดทั้งหลายทั้งปวงเหนี้มันเป็นความนึกความตรึกในจิตของเรา ถ้าไม่มีความนึกในคิดในใจซะก่อนโอกาสที่จะออกไปมันก็ไม่มีสมมาวายาสมมากรรมมันโตสัมม า, าชีโวนี่เป็นเรื่องของสิสองข้อแรกนะเป็นเรื่องของปัญญา สมาวาจาสมากัมมันโตสมาชีโววาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบมันเป็นเรื่องของสิงสมาชิโวเลี้ยงชีพชอบสมาวาจาเจรจาชอบไม่พูดก็หกไม่พูด ทอเสียบไม่พูดพยักบัตกไม่พูดเพอเจอร์ไม่พูดเท็จไม่พูดยา่าวไม่พูดเส่อเสียบไม่พูดเพอเจอ<ม>การงานชอบ<ม>การงานที่ประสิทธิ์จากโทษการงานที่ประสิทธิ์จากโทษถ้าเราจะสรุปมาที่ข้อปฏิบัติของเราก็คือการงานที่นั่งสมาธิเดินจงกรมเดินจงกรมนั่งภาวนา เดินจงกรมนั่งาวนาเป็นการงานที่ชอบชอบเพื่อจะใช้เกิดสินเกิดธรรมสมาชีโวเลี้ยงชีวิตชอบก็เลี้ยงชีวิตด้วยศินด้วยธรรมของเรา อ, อย่างพระเราก็บินธรรม บ, บัญญัชีพปัจจัยทั้ง4ี่ก็ได้มาในทางที่ที่ชอบชอบด้วยข้อวัดปฏปิบัติที่พระเจ้าท่านทรงมอบให้ อาหารได้มาจากปลีแค้งคือบินทบาทพานุ่งผาหมก็ได้มาจากภาพบางสุคุลโคนยูโคนไม้ฉันนยาดเรา้วยน้ำมุดเน่าถือว่าเรื่องชีวิตชอบเรื่องชีวิตชอบก็คือเอาอะไรเข้าปากมีสติทุกคำกลืน เข้าปากเอาน้ำเข้าปากเอ า, เ า, า, เอาอยาเข้าปากพอเข้าปากไแล้วมันก็ไปเลี้ยงกระเพาะร่างกายเป็นเหตุให้เรามีชีวิตยืนยงคงอยู่ได้อย่างนี้ชีวิตชอบมีสติไม่เพาะข้าวน้ำาู้ชนะอาหารมีสติทุกคำกลืน ด้วยไม่ p ็พิจารณาก่อนบริโภคเหมือนอย่างเราฉันม่บาตจากอาหารใส่บาตเราก็ไม่มีความอยากอาหารในสำรับเราก็ไม่อยากฉะนั้นเราก็พิจารณา้วยไปสังขายโโปินะปางปติเสวามิวาไปจนจบนื้วันตวายะมัยะมัายชนายะ ยาวมเดวายมาสักายาสติช ย, ยาปนายาพิหินสุปรฏิยาบรยามจารยานุขหายาว่าไปจนจบพิจารณาเราบอกบริโภคอาหารการพิจารณาแบบนี้องตาท่านว่าดับไฟนรก <c oughs> ดับไฟนรบพิจารณาปัจจัยสีบริโภคเข้าปากเพื่อเลี้ยงชีวิตเล้ยงชีวิตเช่า เลียชีวิตด้วยธรรมเลี้ยงชีวิตตามคลองต้อหนองคลองถามด้วยธรรมด้วยยีนเลี้งชีวิตเชอบสัมมาอาชีโผเียงชีวิตชอบสัมมาสัมมาแปลว่าชอบชอบชอบคือชอบด้วยศีลชอบด้วยธรรมสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เป็นเรื่องของสมาธิศีลสมาธิปัญญาศีลกลาง สมาธิเสล้วับปัญญาสมาธิติสมาสกงคโปรเป็นเรื่องของปัญญาสมาวายโมสมาสติสมาสมาธินี่เป็นเรื่องของสมาธิสมาวายโมคือเพียนเพียนเช่าเพียงเช่าเพียนยังไงเพียนยเยนช่าเพียนละบาบังเพบุญ ประธานสี่ประธานสี่ถ้าใครเคยใครเคยดูประธานสนั่นแหะเพียนเช่าสังวรประธานพานประธานภาวนาประธานอนุรักษณาประธานสังวรประธานหานประธานก็คือสัมรวมสัมรวมสังวรประธาน ป่าหันประธานสัมรวมใจไม่อกุศลเกิดขึ้นในใจสังวรประธานสัมรวมใจไม่อกุศลเกิดที่ใจแล้วก็ระวังไม่อกุศลเกิดสังวรประธานป่าหันประธานทากุศลให้เกิด ระวังไม่ให้อกุศนเกิดอกุศนเก่าที่มีอยู่แล้วให้พยายามละประหารประทานแปลว่าพยายามละเพียรไม่ให้อกุศลใหม่เกิดเพียรละอกุศลเก่าที่มีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วนจิตพยายามไม่ขอใหม่เกิดพยายามละของเก่าของไม่ดีของชั่ว ของเก่าพยายามละของใหม่พยายามระวังไม่ให้เกิดของเก่าพยายามละสังวรประทานตาประธานภาวน า, ย า, ยาประทานก็คือยังกุศลใหม่ให้เกิดพยายามทําให้เกิดผลที่เกิดขึ้นแล้วมีแล้วก็พยายามรักษาเอาไว้เช่นอย่างพวกเราพยายามภาวนาพุทโธพุทโธพุทโเพิ่มพูนความสงบให้กับจิตของเรา ทำไปได้รับความสงบสงัดทำไปฏรับความสงบสงัดวันนี้ทำได้แค่นี้วันร้างก็รักษาร่มเดิมเอาไว้รักษาความสงบเดิมเอาไว้พยายามทำความสงบเพิ่มให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นของเก่ารักษาไว้ของใหม่พยายามทาให้เกิดของเก่ารักษาไว้ของใหม่พยายามทำให้เกิดปานทัพอปาน การพูดถึงประธานประธานคือความเพียรความเพียรทั้งนี้เป็นความเพียรในองค์มรความเพียรในองค์มรเราสรุปดูข้อสรุปอยู่แล้วมันก็มีทรรงนี้ความชั่วทั้งหลายระวังไม่ให้ความชั่วใหม่เกิดความชั่วเก่าพยายามละความดีทั้งหลาย ความดีใหม่พยายามทําให้เกิดพยายามดีเก่าพยายามรักษาเอาไว้ของดีรักษาเอาไว้พยายามทําใหม่ให้เกิดของชั่วพยายามระวังไม่ให้มันเกิดของใหม่ระวังของใหม่ไม่ให้เกิดของเก่าที่มีอยู่แล้วก็พยายามละอากัสรที่มีอยู่ในใจมันก็จะเริ่มหมดไปหมดไปหมดไปเพราะเรา ระวังไม่ให้มันเก well, ิดเหลือเท่าเดิมแล้วก็พยายามละเหลือของเก่าที่มีอยู่ก็พยายามละอันใหม่ไม่เกิดมันเก่าเราพยายามละยามละมันก็หมดไปเหมือนอย่างเราุดทุ่งรั่วไม่น้าน้ําใหม่เข้าไปพอเราุดรูไม่น้ําใหม่เข้าไปน้ําเก่ามีเท่าไหร่เราพยายามวิดออกวิตออกวิดออกเท่าไ่มันก็หมดไปทำนั้น มีเรื่องของเรื่องของการตั้งใจปฏิบัติเวลาเราตั้งใจทาไปแล้วมันมันทำงานเป็นอันเดียวกันเป็นก้อนเป็นแท่งอันเดียวกันมันมหมุนมาที่ใจของเราที่เรียกว่ามักสมังขีมักสามัคคีมักสมังขีมักมัสามคัมาามคคีทำไมจึงสามคัคคีเพราะตะล่อมรวมมาทมที่ใจของเรา ตลอดเวลาที่ใจของเราคือพยายามลักอกุศลพยายามระวังกุอกุศลใหม่ไม่เกิดพยายามลักอกุศลเก่าที่มันมีอยู่พยายามระวังพยายามทํากุศลใหม่ให้เกิดกุศลเก่าที่มีแล้วพยายามรักษาไว้ของดีที่มีอยู่แล้ว เราพยายามรักษ า, าไว้ของดีใหม่ก็พยายามทําเพิ่มของชั่วของใหม่ไม่ให้เกิดของเก่าพยายามละมันก็ย่อมหมดไปละไปชั่วยอย่างเดียวไม่ทําดีมันไม่มีการความภาคความเปลี่ยนที่จะทําให้ความดีเกิดสัมมาสติสัมมาสมาธิ สัมมาสติสัมมาสติคือระลึกชอบสัมมาสติคือระลึกชอบระลึกในกายในเวทนาในจิตในธรมรมต้องเรยกว่าระลึกชอบระลึกมาที่กายระลึกมาที่เวทนาระลึกมาที่จิตระลึกมาที่ธรรมท่านหมายถึงกิริยาของกาย ระลึกมาที่กายระลึกมาที่กิริยาของใจระลึกมาที่ใจระลึกชอบมาที่กายระลึกชอบมาที่ใจเพราะกิเลสมันพาพิงมาที่กายมันเกิดที่กายใช้สติระลึกมาที่กายเพื่อสมายับยั้งตัณหาไม้มันเกิดแม่นเจริญไม่มันแพร่หล า, า, ลาลยใช้มาสติ <orph clear> <unto chocolate> รลึกในมาริติปฐานทั้งสีนั่นะจะเรียกว่าสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิคือสมาธิชอบสมาธิชอบนั้นจะต้องเป็นจะต้องมีสติอยู่ในนั้นจะต้องมีสัมปชัญญะอยู่ในนั้นจะต้องมีความภาคเพียรอยู่ในนั้นสติมาสัมปชาญโนอาตาปีที่ท่านพูดเอาไว้มีนเป็นเรื่องของสมาธิชอบ เป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่มีสติในนั้นไม่ใช่หลับเงียบหายไปไม่รู้สึกตัวเหมือนคนตายมันต่อเหมือนสมาธิหัวต่อแล้วก็ตัวสติตัวสัมพชัญาักษยังอยู่รคอยู่นั่นระวังไม่มีปัญญาไนนั้นนี่ละเหตุให้เกิดปัญญาสติมาสัมผัชัญ น, น์นา อาตปีสัมปชัญญาวสัมปชัญญะมีสัมปชัญญะอาตาปีคือมีความเพียรประคอประคับประคอความเพียรประคัประคองก็คือความเพีย ร, ร, ร, ยรยที่เป็นสัมมประธานะความเพียรความเพียรสีอย่างเพียรละบาปเพียรบางเพียรบุญเพียรละบาปเพียรบางเพียรบุญ เพียรไม่ให้บาปใหม่เกิดเพียรรักษาบุญเก่าให้เหลืออยู่ให้คงอยู่เราจะพูดจับจับคู่กันยังไงมันก็เป็นอันเดียวกันสิ่งไม่ดีเ ม, เมื่อเมื่ราพยายามไม่ให้มันเกิดของเก่าที่มีอยู่รพยายามละมันก็ย่อมหมดไปเธรรมดาของดีที่มีเก่าอยู่แล้ว รักษาไว้ไม่ให้มันสูญหายไปอันใหม่เขพยายามทําเพิ่มก็เจริญขึ้นได้อันนี้เป็นข้อปฏิบัติเป็นแนวปฏิบัติเราอยู่กับพุทโธวันเดียวนี่เ็เป็นแนวปฏิบัติทําให้เกิดสมาธิพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธทําอยู่นั่นแหละเป็นก็ทำไม่เป็นก็ทําทําททง่ายกา็ ท, ทากําทํายากก็ทํา สะดวกก็ทำยากทำทำอยู่นั่นแหละทำจนมนสงบสักหน่อย ส, สักวันหนึ่งมันจะได้รับอารมณ์ที่สงบให้กับจิตของเราแต่นี่เป็นวิธีการที่เราทำให้จิตได้รับความสงบสมาสมาธิความสงบมีสติมีสัสพจัญญา มีอาตมปะเพียนแผลดเผากิเลสอยูในหัวใจกิเลสก็จะเริ่มหมดไปได้นี่ทางปฏิบัติเป็นแนวปฏิบัติไม่ใช่ทางเดินนทางปฏิบัติทางเดินของใจทางดําเนินของใจปฏิปทาคือทางนำเนินของใจ หลุมาก็คือเรื่องของเสียของสมาธิเรื่องของปัญญาเราทําจนเอาเป็นเอาตาท่านก็นไม่ถือว่าคร่าเคร่งจนเกินไปเพราะมันเป็นวิธีการที่ถูกที่ชอบสมาสมาสมารเราจึงชอบชอบชอบคําว่ามันชอบคือมันตรงตรงต่อการที่จะเอาไปหักหารกิเลสเอาไปหักหารกิเลสได้เอาไปปราบกิเลสได้เอาไปฆ่ากิเลสได้ มันไม่เหมือนกับการสุขลิการโยกยิ่งไปบำเรอตนด้วยกามด้วยแล้วก็เหมือนกาบเราที่เอาไม้สดอยู่แล้วเนี่เอาไปแช่น้ำซะอีกนะแล้วพยายามจะไปเอาไปสีให้เกิดไฟมันจะเกิดไม่ได้มันเกิดได้ที่ไหนมันเกิดไม่ได้การสุขลิการโยกประกอบตนพัวพันในกาม ว่าแต่อะไรเรื่องของกามเนี่ยดึเงเข้าใส่ความกวาหนัดความยินดีความอะไรแต่อะไรมันจะเสริมมีถ้าเพาิ่มเติมให้มันอยู่ทุพเทือกกามเต็มแปร่อ ย, อยู่ในหัวใจอยู่แล้วยิ่งปลูกฝังสร้างสารรค์ให้มันเพิ่มอยู่เรื่อยขึ้นอยู่เรื่อยไม้มันเปียกชุ่มอยู่แล้วนี่เอาไปแช่อยู่ในน้ําอีกหรือจะไปทําให้เกิดไฟมันจะเกิดได้รยังไงมันเกิดไม่ได้ มีธรรมะมันเหือดแห้งสาหรับการออกจากใจสําหรับการออกจากใจคือเจญสมาธิอันหนักสำหรับการออกจากใจใจมันจะไม่โอดดิ่งไปตามอารมณ์ของกรรมการมวัตถุการมทั้งหลายทั้งป่วรวมไปถึงการมมราคะในหัวใจตัวนี้มันเป็นตัวเทวรุนแรงเป็นตัวที่มัดมนุษย์าตร์ทั้งหลายอยู่ในโอกไม่มีจบ รู้สึกว่ามันเยื่อใยมันมีรสมีชาต์มันอ ร, อร่อยรอร่ระดูริดูเด็เขาเมันดูไปที่รูปรูที่เป็นโรคที่มันชอบมาดูที่ดูให้ดีแล้วสังเกตสังการดูให้ดีแล้วสังเกตสังกาสังเกตให้ดีรูปอย่างอื่นธรรมดาธรรมดาเราก็ดูเป็นธรรมดาธรรมดา ถ้าเป็นรูปที่เป็นเรื่องของวิสุทธที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความกำหนัดความยินดีกับสิ่งเหล่านี้เราดูไปมันเหมือนรูปอย่างอืง่นธรรมดาธรรมดา ม, มันมันสะกิดจิตส ะ, ะกิดใจเอาจนสะดุ้งขึ้นมาทัทนทียิ่งเรามีสติอยู่กับเนื้อกับตัวด้วยแล้วมันทําให้เราตื่นกับสิ่งเหล่านี้เร็ว ทำให้เราตื่น่เร็วตื่นกับสิ่งเหล่านี้เร็วคือมันพร้อมที่จะรู้เท่าพร้อมที่จะรู้ทันว่ามันมีริทมีเดชมันแสดงกิรยาอาการทำให้เราได้ระมัด ร, ระวังสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นสิ่งที่รุนแรงที่สุดในหัวใจของเราวัดไฟไฟราคะ เป็นไฟที่รุนแรงแรงกว่ไฟข้างนอกสามารถหลอมหัวใจตรงนั้นอ่อนปวกเปียกไปหมดไม่มีเรี่ยวแรงที่จะต่อสู้ดินน้นรนมันสามารถมาย้อมจิตของคนได้ ยอมได้ทั้งผู้ชายยอมได้ทั้งผู้หญิงสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ทำให้สัตว์มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมาติดเข้ามาปูกมาผูกพันกับสิ่งเหล่านี้เป็นการต่อเผ่าต่อพันต่อวงต่อวาน ต่อเผ่าต่อพันมันเป็นธรรมชาติมนุษย์มันก็มีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องต่อเผ่าต่อพันหากมันมียางเหนียวเป็นเยื่อใหญ่อยู่ข้างในนี่แหละคือยางเหนียวตันหาเป็นยางเหนียวเป็นยางเหนียวเป็นเยื่อใหญ่อยู่ข้างในแต่เป็นพืชก็คือยอดอ่อนเข้ามาพืชทุกมเมล็ดมันจะมียอดอ่อนอยู่ในนั้น ต, ตัวนั้นแหละตัวที่จะมาเจริญงอกเงยเจริญงอกงามถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นก็สูญพันธ์พืชมีสิ่งเหล่านั้นเพื่อที่จะเจริญพันธ์เขามันต่อไปมนุษย์ก็มีสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จิตเจริญพันธ์เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงรุนแรงโอ้ลงเจอือกําลังจะเข้าปากใครไปขัดดูตายหมดไม่มีเหลือตายหมด มันรุนแรงขนาดไหนเสดงมันฟังนึกอยูน่ในหอวใจว่าเราจะพิจารณาว่าเราจะรู้จะเห็นมันได้เอามันยากมากมันเยื่อใ่มัน อ, อ้อยอิงมันนั่นแหละถ้าไม่ละเอียดไม่ละเอียดพอ ไม่ละเอียดพอไม่มีสติไม่มีปัญญาเพียงพอไม่ทันไม่เห็นไม่เห็นเงืินงามของมันมันซ้อนซ้อซ้อนด้วยสัญญาสัญญาอารมณ์สัญญาหลวงสัญญาสัญญาหลวงสัญญาสัญญาทับทับททสัญญาซ้อนซ้อซ้อนอยู่ในนั้นพิจารณาให้ดี เราจะเห็นเงินเห็นงามของมันแต่ว่ามันจะอยู่หมัดได้ด้วยแบบฝึกหัดด้วยแบบฝึกหัดขัดเกาอะไรดูแยกแย่ไม่ให้มันเป็นสักว์เป็นบุคคลดูแยกแย่ไม่ให้เป็นสักว์เป็นบุคคลดูให้เห็นสักว์ว่าเป็นธาตุเป็นธาตุเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟ เราฟังเท่หลงตาเมื่อคืนฟังการนี้แหละเมื่อคืนฟังไปเจอกันนี้ก็ดีถ้าใครเปิดเจอเปิดฟังเปิดซ้ำๆจะทำให้เราเข้าใจดีมากหลวงปา่าหลวงตาฉนเอาอุบายอันนี้มาเปิดเผยอยู่ในนั้นมันมีอยู่ในในอนั้นเล็กๆอะ่ะยมพีสามันมี ถ้าใครเปิดเจอแล้วมาฟังซ้าๆๆๆๆจะเข้าใจดีจะเข้าใจดีฟังไปศึกษาไปเข้าใจไปน้องเข้ามาย้อนกขมาย้อนกลับไปย้อนกลับมาย้อนกลับไปย้อนกลับมาศึกษาเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เหมือนสุดจิตสุดใจสุดสติสุดปัญญาของเรา แต่มันมีเงื่อนมีงามที่เราพลิกแพลงชอนชัยไปมาเห็นช่องเห็ น, านทางได้ทาไปจนมีกำลังมีเรี่ยวมีแรวก็จะหาช่องบอกได้ ก็พวกนั้นมาเยอะเลยวัวนนี้เป็นร้อยเต็มสลากไปพูดําไม้ฟัง40กว่านาทีของคุณขนาดของคุณเป็นไนที่ทำงานเขาเราก็เคยไปเขาไม่บนไปผบรม เยนี้ย้ายไปทําที่ใหม่หมดสัญญาเพราะนั้นนะแต่ก่อนทําที่อมรินทร์ตึกอมรินทร์ตอนนี้เขาย้ายไปที่ใหม่เป็นชมรมของเขาชมรมแล้วก็เป็นมูลนิธิพวนี้ก็มีมูลนิธิด้วยมูลนิธิทําดี มูลนิธิทำดีทำดีทำ ม, ม, ทอรอรอมอม่าทรรรมคุณศิษย์ทำดีทำงูทำน้ำคุณลนัยได้ประโยชน์ กับโมกับเพื่อนกับพวกตอนหลังมาเพื่นก็ไปหาท่านสงบจางสงบไปสร้างวัดนุ่นที่บางบอป่าสุขใจวัดป่าสุขใจสร้างไม่ถึงปีเสร็จเกียบร้อยหมดต้นไม้ไปปลูกเต็มไปหมด เรายึมีอะไรต้น อ, อะไรปแปลกๆนะขนไปปลูกหวดปลูกเป็นแถวปลูกเป็นรั้วมีเป็นที่ภาวนาตรงนั้นกำลงัลงดังคนกำลงังหลังเข้าไปไหลเข้าไปปาสุขใจ บางบ่อจังหวัดสมุทรปราการกือนี้เขาก็เป็นนอนที่ในเมืองมาสองสองวันแนละ้วต้องเวรทำบุญ อ่านิสสมควรแก่เวลาละ